ร้ายการดีมิสาระ 89.5 Megahertz วิธิยุราชมุงคนทุกข้ำวันสุดพบกับถุ่งกะนิตใน RMUT Society ดิค่ะคุณ RMUT Society ค่ะพบกับ FM 89.5 MHz ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คงไม่พ้นเกี่ยวครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี 22 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาผ่านมาสําหรับเรื่องราวความแตกต่างระหว่าง เป็นยังไงบ้างกฎหมาย ซึ่งในวันนี้ค่ะเรา ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ทีมงาน IMUT Society นะคะก็ได้ต่อสายไปยังคุณธวัชชัยค่ะท่านอธิบดีคะ ที่เราจะพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับความแตกระหว่างกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กและเยาวชนค่ะครับกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยนะ และวิธีพิจารณาความอยู่ของครอบครัวอันชื่อก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะทีนี้กระบวนการที่เรา 24 ชั่วโมงจะ โดยมันซับซ้อนจับคุมเด็กนะไม่ว่าจะจับโดยก็แล้วว่าจะมอบเด็กเหล่านั้นให้บิดามารดาปกครองมาดู กับหมายบทปฏิบัติของฐานเสพคือจะต้องหลักตัวเองจากศาลอ่ะเพื่อที่มาควบคุมตัวไว้ในศาลแรกรับเช่นที่บ้านเมตตาอะไรลักษณะอย่างเรื่อง เอ่อมาตรการเอ่อวิธีการลงโทษที่เหมาะสมกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นมาตรการอย่าง ก็คือถ้าเด็กจำคุกไม่เกิน 5 ปีเนี่ยนะครับเอ่อถ้าเราเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่เคยต้อง <ฮ. S 2> พอสามารถไปหันเหยในชั้นศาลได้อีก นะครับนักสารสุขเอ่อนักกิจวิทยานักสังคมสุขเคราะห์ 4 ด้านเนี้ยจะต้อง 1 มีหน้าที่ <Okay. S> 1 เอ่อ 2 ก็คือมีว่าจะ ลักษณะอย่างเงี้ยเอ่อก็เข้ามาดูแลครับค่ะเอ่อทันทีที่ เอ่อเราจะไม่สามารถให้เด็กเนี่ยอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กราชชนได้ ลักษณะอย่างเงี้ยเรียกว่าการสงเคราะห์เด็กหลังปล่อยปีอันนี้ก็เป็นหลักการที่ที่เพิ่มขึ้นมาใน เสรีภาพของเด็กอยากจะให้ท่านเน้นย้ําอีกครั้งนึงว่าๆแล้วกระบวนการพิพากษาเด็กเยาวชนเนี่ย เราจะดูเรื่องอนาคตสวัสดิภาพการศึกษาและการเร 5 ปีเนี่ย 3 คนทั้ง 3 คนถ้าศาลมีทักษาคน<ค> ปรากฏว่าอีกคนนึงเฝ้าอยู่ๆหยิบต้องจับของมานั้นอาจจะแค่ๆทําไมถึง 2 คนที่อยู่ข้างล่างๆไปเพราะฉะนั้นเด็กก็บุคคลไม่เหมือนตัวใหญ่ค่ะ ส่วนมากจะเป็นในเรื่องไหนมากที่สุดคะเป็นคดีไหนมากที่สุดคะเอ่อตอนค่ะประมาณ 2% อ, ย, ะ, 2% นะรองลงไปก็เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับ 4.6% ทีนี้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยจริงๆ เพียงแต่แรกๆก็อาจจะตัวร้อนธรรมดาแต่เข้าก็เริ่มช่วงจบ ป.6 ม.1 ม.2 เนี่ย คือธรรมชาติจะสั่งให้ออกจากพ่อแม่เหมือนลูกนกลูกกาลูกหมาลูกแมวเหมือนกันหมดฮะคนก็เหมือนกันก็จะออกนะฮะแล้วก็พอที่สําคัญคือถ้าการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ไม่ดีเนี่ยเด็กก็จะไปหาสิ่งที่สร้างสุขให้มากกว่าก็ไปติดเพื่อนแต่กลายเป็นว่าเพื่อนที่เขาคบ ในวันที่ถูกจับไม่ได้เรียนหนังสือแล้วอืมค่ะก็นี่คือเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเป็นวัยที่เค้าติดเพื่อนแต่พอดีเค้าไปติดเพื่อนที่ไม่ดีอยู่กลุ่มเดียวกัน บางคนไม่มีอะไรเก่งสักอย่างก็ต้องไปหากระบวนจากประสบการณ์ที่ท่านดูแลในเรื่องของเอ่อสิทธิเด็กการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตรงนี้ ที่ที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยไม่ไม่ค่อยประมาณ 4 ปีฮะอ๋อค่ะคือถ้าเราตามเราตามเกินกว่านี้ไปนะ 13% ฮะ 13% ที่ทําผิดซ้ําเข้ามาอีกครับอ๋อก็ไม่มากครับ MOU กับสํานักงานการศึกษาอาชีวศึกษาค่ะนะก็ก็ต่อไปนี้เรื่องการจัดการศึกษาเรื่องเอ่อ แล้วทําให้เด็กไม่ขาดต่อไม่ขาดตอนในการเรียนฮะค่ะครับก็เรียก 33% ก็ไม่ได้มากมาย เอ่อส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะเป็นเอ่อชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่อือครับเป็นชนชั้นกลางกับยากจนเป็นค่ะทีนี้พอเด็กทนจาก ในขณะที่ครอบครัวกับครอบครัวหาเช้าให้พอกินเพดอย่างเงี้ยอืมเค้าก็อยู่ไม่ได้นะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยห่วงเด็กทําผิดซ้ํา 80 กว่า เอ่อมันไม่ถึงคงที่แนวโน้มอาจจะสูงเล็กๆแต่ว่าที่น่ากลัวที่ค่ะเรา ใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วเองมีโครงการแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือมาดูแลเด็กมากมายแบบๆไปไม่กลับมาทําผิด นะรับรองว่าเราเราจะไม่แล้วก็เมื่อเราถูกพิคันเนี่ยเราจะไม่สูญเสียทรัพยากรไปทําในสิ่ง แต่ปัญหาสําคัญเค้ากลายเป็นว่าเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ค่ะก็ค่ะโครงการในปัจจุบันแล้วก็ในค่ะปัญหา ก็ง่ายๆว่าเหมือนเราเป็นคนเป็นชาวประมงหรือเลี้ยงปลาในสระค่ะแล้วก็เอาปลากินพืชกับครับค่ะเพราะ เป็นศูนย์บางอย่างอาจจะต้องบําบัดเด็กที่เอ่อใช้ความรุนแรงติดเป็นนิสัยหรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวค่ะซึ่ง คนจะต้องให้ความสนใจเด็กเยาวชนที่ก้าวหน้าก้าว 60 70 ปีเค้าจะทําลายประเทศเท่าที่อายุเค้ามี คิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จนะคะในอนาคตอันใกล้มากๆเลยอยากๆค่ะท่านอนุทินคะสิ่งที่ท่านเป็นห่วงเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันนี้หรือการเลี้ยง ด้วยมือมือเดียวก็จะมีผู้ ก็อยากจะทักษะเชิงบวกว่าทําอย่างไรถึงจะให้คุณพ่อ สิ่งดีๆที่ลูกชอบเนี่ยเราส่งเสริมเลยลูกอาจจะไม่เป็น ให้ต่อไปไปที่เอ่อที่กรมพินิจผมจําเบอร์ของฝ่ายเงิน www.jop.moj.go.th นะฮะอันเนี้ย Google แล้วพิมพ์ แล้วก็จะสามารถที่จะติดต่อได้ ค่ะเราก็จะแจกให้ฟรีครับค่ะชัดเจนและเยาวชนก็ดีนะคะสําหรับท่านทวชชัยไทยเขียวอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองสวัสดีนะคะครับสวัสดี ค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับอ่าท่านใดนะ www jop.moj.ac.th นะคะ Google ก็ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่ากรม เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆนะคะของเอ่อวิธีพิซาเด็กและค่ะคุณ RMUT Society ก็หมดลงแล้ว รายการดีมีสาระ 89.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุราชมงคลใน RM Duty Society มีความ คนขายเทวรูปช่างแกะสลักคนหนึ่งได้แกะสลักรูปเทพเมอร์คิวรีขึ้นมา แล้วทำไมถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดไว้ถึงนํามาขายเสียล่ะถ้าเป็นๆจากเทวรูปแล้วชายแก่ๆช้าๆนิทานเรื่อง